ทัศนะสู่ธรรมเรื่องพุท ธ, ธนั้นไร้ตัวตนชาติชั้นวันณนะโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่17กุมภาพันธ์2526ผู้ที่ฟังให่ดีนะครับก็จะมาก็จะทํานางครูข อ, อสายความภักดี เขาต้รียมการกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพื่อฝนตกเขาก็ต้องรทราบต้องทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับทำงานดีวความขยันหมั่เพียรในร่องการปฏบัติธรรมนี้รอสายความขยันที่จะ รู้สึกตัวเช่นเดียวกับกิจกรรมทางโลกเหมือนกันเอ่อในกันเจริญสติกรรมวิธีที่ที่ผมแม้ฟองนี้เออไม่มีความจำเป็นจะต้องพู้งถึงการรักษาศีลอันมากมายเราโดยยอดแล้ว เพื่จะถือมติว่าการเป็นคนอยังที่จะเจริญสติก็เป็นอนชุชาได้ความเกียครค้าในการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องติดศีลในตัวแล้วถึงนอนเี่เหมือนกันเพราะการที่เราไม่เจริญสติขึ้นสภาพปกติของเราจะตกตาม และออนสีนั้นเปลวปกติเพราะรู้สึกตัวรู้ลูนซึ่งเป็นสภาพปกติอันนั้นคือสีเมสภาพปปตินี้ได้ต่อเนื่องกันท่า น, นั้นคือสมาธิเมื่อสภาพปกตินี้แปลสภาพไปสู่ความรู้แจ้จริ ง, รงอันนั้นคือปัญญา จากเทาสยเล็กๆ ก, กเป็นแม่น้ำใหญ่จัแม่น้ากลายเป็นพงทะเลมหาสมุทร้น้าจากทเล็กแแม่น้าและทะเลก็เป็นทาทน้ำอันเดือดขึนเริ่มจะเลยสนั้นเปลีนเหมนสายน้าเล็กๆเม่สายน้เล็กๆมันหลไปขัง รวมกันเป็นแองหญ่ก็เรียกว่าแม่น้ำและนั้นหมายถึงสมาธิในแม่น้ำนั้นไหลสีงะเลเชื่อมโยงกับน้ำซึ่งเป็นจำนวนมากในโลกนี้ดังนั้นชื่อปัญญาทำให้สิตัว น, น้อยๆอยนี้ก็จะคมมิวรนน้อยๆได้อุปสรรคทั้งหลายที่อยู่ในอำนาจของ ก็จา ร, รนับตืเมื่อสติขุดเด่นขึ้นอิสอปสรรคก็จะระนับถึงได้ส่วนสติด้วสติต่อเ น, นื่องไม่จะเกิดอาการจับตัวของมันก็นี่จะฟังยากเช่ น, มมนสมมติเรากโมงกาสติกำลังนั้นคิดอะไรเกินมีคนมาตัดที่ไ ถ้าใสความคิดแบบนันก็หยุดติดรียกว่ามันหยุดแต่ว่าถ้าหยุดแล้วสักเดียวหนึ่งมันก็จะเกิดต่ออีกแล้วมันไม่หยุดครับเพราะสตินั้นเกิดจากภายนอกคือเส้นพูดทางก็มีสติสิ่งหรือนบีบมือก็รู้สึกโลภิถ้าสายสิ่งเร้าจากภายนอกมันก็หยุดได้บางส่วนเพรานั้น แต่ท่านแม่ น, น่าสตินั้นเกิดขึ้นเองในภายในไม่มีกำลังพอมันจะหยุดเลิก ข, ขึ้งโลกหยุดอิพาวั่นปวนภาวะสร้างสรนใน์ภายในนพภาวะที่มันปรุงแต่มันจะรูปจับเมื่อรวจับแล้วจะรู้สึกถึงความเป็นสองคน กาสาก่มันไม่ใช่การดังเท่ตัวเรานี่เองสภาพชีวิตของเรา น, ะ น, า น, านี่เป็นสากลอนรู้สึกตัวนี้เป็นสาบก่อชื่อเสียงของเราหนามท้องถิ่ชื่อนวะสีวันสึ่งนี้เป็นสมมุติขึ้นไม่มีส่วนไหนเลยที่เรียกว่านวะสีวันได้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 ร้องเรียกขึ้นว่าชีวิตแต่จริงๆไมหาใช่ชีวิตไม่แต่เพื่อที่รองเรีกสิ่งนี้ให้สื่อกันได้เราเรียกว่าชีวิตบ้างเราเรียกวความรู้สึกตัวบ้างส่วนชีวิตนั้นความรู้สึกตัวนั้นขนาดชื่อว่านายกสมพรสุนทรเราเรียกชื่อชีวิตนั้น เมื่อทำการชีวิตมันจะไปทำร้องเรียกถึง r ภาวะอันหนึ่งซึ่งอยู่นอกเหนือการรงเรียกนี่ใหญ่ทีเราจะเรียกมันเช่นไรชื่ออะไรเราได้กระทบกระเทอือนถึงสภาวะนั้นประเทศไทยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่นนนรถไฟทุกเม็ดตัวเองเม็ต่อเม็ดจนไปถึงอเมริกา เป็นรอบโลกสภาวะธรรมตามธรรมชาตินั้นไม่มีชื่อวิตมันนับรองเรื่อยแบบเท้ามาเท้าวขึ้นก็ไปรียกกวนวตัวเองให้ต้องร้องเรียกอีกต้นหนึ่งว่าตานแล้วเรียกมีเน็พพายทุกสิ่ง น, นี้ปรากฏชื่อทั้งนั้นท้องฟ้าดวงดาวต้นไม้คน เราตรองเียชื่อเมื่อทุกสิ่งมีชื่อหมดแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างโนภาพจากชื่อนั้นได้แต่ผมพูดก็เดินไปซีงนี้สิบเก้าไอ้พวกต้นตามแล้ฟังแล้วก็หลงเดินไปก็พบต้นตาลแต่ที่ที่เราพบจริงๆมันหาใช่ตาลเลยมันเป็นความไม่ใช่ต้นตาล ม, มากกว่าต้นตาล มันนั้นเพื่อจะรองเรื่งให้ถูกไม่ว่าอะไรก็นั้นไฟนี้จะหาใช่ไฟไแต่เราสมมติชื่อไฟเพื่อที่จะคิดถ่ายทอดความรับรู้แต่กันและกันเตสพาวเวอร์ทํแล้สิ่งทั้งหมดนี้ครับไว้ที่จะดูาม่ดูสพาวเรทในตัวเรา คนที่ชื่อเคห์มานันทะหรืออที่ตดการไม่มีคนทุกคนนี้ไม่มีมมต็นมีสภาวะธรรมอารมณ์สภาวะซึ่งพูดไม่ออกบอกไม่ได้ภาวะาที่อยู่นอกเหนือสมมติมัญหยัดนป็นสภาพะประมัตต์ตัวเราเองที่ปรมัตต์ แต่แม้เทนั้นเราจึงต้องร้องเรียกมันว่าปรมาตนะนั่นก็เป็นส ม, มุตดตัวบัญญัติเรียกว่าปรมาจริงๆตัวเรานี้ไม่รู้ว่กเป็นอะไรคือตัวเราอยู่โลกเหนือภาษานอกเหนือส ม, มุติโลกเหนือบัญญัตและดังนั้นสิ่งที่เพูดกันทั้งหมดร้องเรียกชื่อได้ทั้งหมดไม่ร้องเรียกชื่อสิ่งกลางได้ เราก็หลงลืมจากสภาวะซึ่งรายชื่อแต่เราก็ขึ้นโกโลกเกลียดมีปัญหากับชื่อกับสมมติขนเองก็ใครร้องด่าเราร้องนานชื่อเราดาเราระบุนนั้นรบุันนี้ซึ่งเกี่ยวพันกับเราเราก็เป็นทุกๆ เ, เป็นทบกๆเรื่อสมมติพระเราติดสมมติเพราะเราไม่รู้จักส ม, มุติ การเงินนี่เรื่องสมมุติแต่ก็เพราสมมุติต้นเองที่ทําเราสามารถซื่อข้าวซื้อของกินได้ก็สมมุตินั้นยังเป็นสมมุติอยู่มาได้ที่เขเปลี่ยนแปลงเงนเขาไม่ใช่แั้นเงินก็การเศษกระดาษไม่มีใคต้องการอีอกแล้วสิ่งสมมุติเหล่า น, นี้นะคะ่ะ โดยการคุปตรลางหอหุ้มไม่ให้รู้จักสภาวะที่อยู่นอกเหนือสมมติอันสมม ต, ญญติเรียกว่าปรมัตนันบรรจัเรียกว่าปรมัตแต่ที่จริงปรมัตทั้นแปลว่าไม่อาจลองเรียกอะไรภาษาไม่อาจเข้าไปท้องแหวกมันได้ดังนั้นเองเมื่อเราเร่ม เราก็เริ่มเดินทางเข้าไปในกระแสของสมุดธรรมะทั้งหมดเป็นเพียงอุบายวิธีที่จะให้รู้จักสมุดโดยใช้สมุดที่นี้ก็เลยเกิดความสลับซับซ้อนและชวนฉ ง, งนถึงหายกับคนที่ไม่รู้เท่าทันเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะขึ้นคนส่วนหนึ่ง จับประเด็นได้ในส่วนลำเลกเข้าถึงสาระคนพวกหนึ่งยึดถือสมมุติใหม่แล้วก็มีปาทานในธรรมคิดว่าเป็นความจริงพรพุทธเจ้ารองเรียกขันห้าขึ้นมาไม่ใช่สิ่งเรียกธรรมแม้แท่านบอกว่านี่เป็นธรรมะแต่ท่านบัญญัติเรียกขึ้นมาพ่ดถึงรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตเราเริ่มคิดคอยตามเรียกว่าเราเริ่ม คิดแบบสมมุตินังเร่อกระจายรักนั่ก็เรื่องสมมุติเท่านั้นแต่เป็นอุบายที่จะค้านที่จะแยงจากความคิดเดิมซึ่งคิดแบบเพียงสุขและเป็นตัวตนดังนั้นเป็นอุบายเป็นมายาเพืเ่อลดล้างมายากันพินมพ์กพราดัง น, นั้นเองศัสนาหรือคำสอนของพระเจ้า จะเริ่มต้นด้ยการอธิบายการอธิบายของพระเจ้านั้นเป็นการค้านทำรู้สึกสามัญของคนสามัญคนทั่วไปที่มีความคิดว่ามีความโลกที่จะสุขเป็นทุกสิ่งจัง ท, ง ท, ทงี่มองในง่งที่มันเป็ยังินมองอ่ะหาจะพถาว่อน <c oughs> หย่นยงพกค้าวเหลายงหลก็ลืนตายคิดทางเงินไม่คิดถึงธรรม คิดจะอยู่ยังอยู่แม้รั่วตายแต่ก็ยังยึดถืองและใฝ่หาสุดตรงการในซองเศษความสุดแล้วก็ยึดถือเรอัตาตัวตน ว, ว่าตัวของฉันนี้มีอยู่อย่างจริงแทง้สิ่งนี้เป็นตัวสุดของทุกผู้คนของทุกๆุกชาติทุกภาษา ด้วยพระวิญญาณท่านประกาศทำสวนทางสิ่งนั้นเมโลกำลังมองหาสุขท่านประกาศว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เมโลกำลกมองหาสภาวะที่ยั่งยืนถาวรท่านประกาศว่ามันไม่ใช่เมโลกมองหาตัวตนของตัวท่านประกาศว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทรรีนี้ทําความสำนึกตัวให้กับผู้คนในอินเดียครั้งนั้น แล้วปะเหต์ให้ผู้คนเกลียดชังพุทธเจ้าเป็นนันมากถ้าเราอนพระสูตบางพรสูตรจะก็ดว่าผู้คนมุ่งโจมปีพุทธเจ้าอย่างเสียหายเล้นดา่าพระเจ้าไอ้ผู้หัวขาดทุกทําลายล่าเงาของมนุษย์พระอสอนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราก็เต็มเชนั้นแล้วใครจะทําความดีใครจะกลัวบาปใครจะทําบุญ เ อ, อพะพุทเจ้าให้ตรัรู้ใหม่ใม่โน้มบัณไทยมีทางไม่สอนเพราะท่านคิดว่าสิ่งคีท่านรู้นั้นเ็นสิ่งละเอียดลึกซึ้ีปณิสายของบัณฑิตนันทีรู้ยดายากที่พุิธชนคุณธรรมดาผูา้ยึดถืออย่างเนีนแน่นในอัตาตทาที่เชื่อเตฉันพี่ตัวฉั น, ฉน <c oughs> ทั้งท้่ฉันรู้สึกตัวฉันมันเตเพียงปาความ เรยุดเอาเท่านั้นมันามีเนนความจริงไลมเรายุดเอาแท้สมมติเราเล่ตัวลงตาร่างกายการสรสางศพมันเป็นเลอะออกน้นกับไปสีนะ้ำมันไม่ใช่ตัวไม่ใก่ตนอยู่ถ้ามันตัวของเราเาก็บังคับเลยนะทำนังไงไแต่แล้วผมสักเส้นหนึงที่จะไม่งอบก็ไมนอยู่ ตอนนี้เราอายุ20ปาง30ปาง40ปางใครใชมันมาถึง40ใครใชมันมาถึง30ใครใครก็อยากหนุนตรนั้นใครใคก็ไม่อยากแกใครใก็อยากสวยใครใก็อยากมีสุขภาพดีแต่มันตามที่เราต้องการได้ไหมตอบเลยไม่ได้มันก็ไม่ทำตามเป็นเช่นนี้แล้วจะยึดให้เป็นของเรา เขเรียกเรื่องละเมอไปแต่ขณะที่ในสังคมเดีย์นั้นถือว่าอัตตาตัวตนจริงมีสภาพยืนหยัดขาวนตัวและเมื่อผ่านวงเวียนแห่งกรรมไปถึงที่สุดแล้วอัตตาหนี้อาตมันนี้จะเขาร่วมกับประมาตมันนี่เป็นพื้นี่ของสังคมเดีย์หรือกระบวนการความเชื่อของประชาชนทนั้น แล้วกระบวนการ น, นี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับระบบชั้นวันลนะเพราะอัตราที่ดีก็คือพูกพรามอัตตาที่สามสทุกสู้คต่ากว่าด น, นั้นเองที่เจ้าขัดข้าง่งอตมันแล้วท่านถือว่าอตมัมเป็นความหลงิดอันไร้ศี่ดรง น, นั้นประมาทรมในความเมือเคยพบเองพร้มนอท่อานถึกคานวันนะ วพวเจารัานขานหลักอาตมันปรมาตมันนะก็เป็นนั้นว่าล้มหลักวันนะนี่เป็นกัปบอยคนะนจะดีจะชั่วยพระกรรมพราะการจะทำหาดีชั่วสูงกําเพาะวันนะก็ทั้าหมด น, นี้นะคะ <c oughs> เป็นคำอุปิตบายวิวเจารันทำตออโตรเร่งแรง เชื่อของคนคนนั้นเพ <c oughs> ราะราทดสอบความจริงหนึ่งว่าพวกเราส่วนใหญ่เป็นชาวพุณรู้สึกเสมือนว่าพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่เราดูได้องไง เ ร, เ, รเราไม่รู้จักใจของเราเราไม่รู้สิ่งที่พระเจ้าท่านรู้ของท่าน <c oughs> ตามประวัศาส์พระพุทธเจ้าเป็นครูเล็กๆคนนึ่ในอินเดียที่ไม่ชื่อสำคัญนักแล้คนอินเดียคั้งนั้นนีไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าและมากกว่อ น, นั้นเนี่ยเขารุมกันร้อมขรอบท่านเลย เพราะถือที่เจ้าทำร้ายทำลา ย, ายหลักความเชื่อพื้นฐานของศาสนาเดียวแต่เมื่อจากสิ่งที่เจ้าทำรู้ท่านเห็นเป็นสิ่งจริงแท้มันจึงไม่อาจถูกทำลายได้ง่ายตามที่คนสมัยนั้นต้องการแต่ถ้าไม่นานประมาณสามรอปีหลังพุทธกาล <c oughs> พระเจ้าโศกก็ได <c oughs> ้ <c oughs> ทำให้คำสอนของพระเจ้าเนี่ ข้กัะจายไปทั่วทั้งชนเผทวีปแับนี้กับข้ยไปทั่วโลกอีกไม่กี่สิปีข้างหน้านี้ที่อเมริกาเหนอือจะเป็นศูนย์กลางของพุชระสนาพุทธระสนามข้าปฏิบัติจะ <c oughs> เรียนหายจากท่านเราแล้วผมคิดว่าเด๋ยวนี้มันหายแลวมันไม่ป็นรูปแบบของวิธีดีตองไรประเพทีีะไรดัง น, รงนั้นซึ่งละเมอเพิพกกั น, น, น ระมูอการเดินทางไปในต่างเทศเราจะพบความน่าทึ่งที่บุคคลที่เราเรียกเขาสลังนั้นมีความรูออกเข้าใจพระพศาสนาอย่างแน่ชั่เขาเรียนและปฏิบัติและเข้าปฏิบัติเฉพาะส่วนที่พึงปฏิบัติเท่นั้นครั้งหนึ่งประเทศใดตนตกเคยพัฒนาตัวเองทางด้านวัตถุ จนถึงที่เร่อเจริญมากก็เข้าคึ้พเความว่างเปล่าของความเจริญทางวัตถุแล้วก็มองหาสิ่งใหม่เพื่อเติมให้เต็มและสิ่งใหม่ของเขาหนึ่งคือธรรมะดินิสสัพพ ร, รรมะนี้มีในประธานุรมในดิกชันนรีสัพธ ร, รรมกามสัพธรมวิปัสนาอรนี้รู้เป็นทั่วหมดในมืนับปฏิบัติธรรมทางความต่ เมืันก็มองหาสิ่งใดที่เติมให้เต็มเมื่อช้าเขาจะพบมาในขณะที่บ้านเมืองเราเคยมีเต็มครั้งหนึ่งและวบัด น, นี้มันลนหายแล้วไม่รู้สิบตัวและในั้นไม่ช้าบันเมือง น, นี้จะว่างเปล่าเพราะว่าเมื่อพุทธศาสนาไม่ได้ให้ผลตรงๆ ง, งต่อชีวิตประจำวันของทุกคนนะความเชื่อลอยๆนะั้นจะถูกปฏิ คาเป็นจริงก็พวกเราเป็นจำนวนหน้ารู้สึกแปลกหน้าจากพุทธศาสนถ้าเราไม่ยินดีแลวไม่ชอบรู้สึกพุทธศานานะครับแค่อ่เรกนองนั้นประดีนะครับเพืราละมอกาที่มันต้องรวมกันไมกว่าม่นอยหนที่เราจะรวมกันในลักษณะนี้รวมกันเพื่อปฏิบัติธรรม จะเบื่อคำพูดคำนี้คำปฏิบัติธรรมคำนี้เลยครับเป็นคำที่ตึกกล้องอยู่ในอินเดียแม้ที่วันนี้ปฏิบัติธรรมทำไมต้องถามพื้นฐานมผมเห็นว่าธรรมะนันเห็นมีประโยชน์อะไรทำไมคนเราต้องลงคุณในทุกข์ทรมานตนอดข้าวควบคุมเองจเจริญสติ เดินจงกรมนั่งทำฟั ง, ง, ง ท, ที่สิบตัวการทำเช่นนี้ไม่เป็นการตับแบ่งตัวเองออกจากสังคมหรือไม่ขัดแย้งกับความนจริงทางสังคมซึ่งเราต้องทำงานต้องสัมพันธ์ผู้คนต้องคิดมึกจุดจองต้องศึกษาต้องรื่นเริงกับมาระศพต้องแต่งงานต้องเลี้ยงลูกต้องมีกิจกรรมทางเพศกับ ต้องทัน ท, ทุกอย่างภ า, าระของการมีชีวิตนั้นมากมายหายประการนะทนี้การที่เรามานั่นเดินสติอยู่เดินจงคงมันน่าเป็นการตัดแบ่งออกจากชีวิตจริงหรือเป็นเช่นนั้นมันจะสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตจริงเพราะนั้นเมื่อมองหาคำตอบแล้วไม่มีคำตอบกา้ไม่มีคำตอบให้ได้เลยนั้นเราจึงรู้สึกตัวเองโดยอัตโนมัติว่าทํำไมไปเรื่องชวนหัว เป็นเรื่องคนโ ง, โง่บา้บาๆพวกนึงที่ไม่สามารถเอาดีทางโลกได้และก็หันมาทางธรรมเป็นชนี้ใช่ไหมครับที่ ม, มีน้อยคนนะที่จะรู้หรือจะนักว่าศา ส, สนาธรรมนะครับการหลักธรรมนั้นเป็นการสอบหาตีปัญญาชั้นสูง ศาสมาปฏิบัตินี้นะัเป็นการแสวงหาสติปัญญาชั้นสูงไม่ใช่ชสติปัญญาชั้นโลกโลกตามธรรมดาที่มันเก่งส ม, มุ ต, ตมเพระว่าผมเป็นวิศวกรหรือเป็นโ r o f e r สั ก, กรืหนึ่งในทางใทีนี้เพรผมไม่มีห้องส ม, มุดเพราะว่าข้ามนคนที่ไม่รู้อะไราี่ต่ผมเป็นนัแพทย์แต่มมแก็ไม่มียาและผมต้องมีเครื่องมืออย่างดีผมก็ให ทำไมิบายกับคนไข้ผมกลางมปนคนซึ่งมีประโยชน์้อยการสอหา ส, สติปัญญาชั้นสูงนี่ยมันไม่ใช่การเรียนหนังสือการนรีนหนังสนี่เป็นวัตถุธรรมใ ห, หม่บนโลกนี้เพิ่งมีไม่กี่ปีนี้สมัยพิธีการนั้นพระเจ้างคนไม่รู้นัสือพราอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับ ท่านไม่เหมาเหมาท่านไม่มีสีบัญญาตรงกันข้างเท่าที่เรารู้จักวัดซาพเจ้าเป็นคนที่มีสีบัญญาชั้นสูงในคนโบราณเหล่านั้นก่อนหน้านี้เกือบสิบปีคนเป็นจำนวนมากไปรู้หนังสือแต่ก็ะนั้นปกครองบ้านเมืองเป็นผู้นำจุนชนมีคนฉลาดหลักแหล ดังนั้นเป็นรรการทการเรียนหนังสือที่เกิดเท่าน้น่การเรียนนังสือจะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมแต่บางทีนะชีวิตคองกัจเจกยังยัเย่อยอยู่เหมือนเดิมผมที่เรียมากมีความรู้ด้านนังสืมากบางทีมีชีวิตที่เลอะสามนีกว่าชาวไร่ชวนานชีวิตที่เลสามผมันไ ม, มาีไรคือชีวมันเป็นทุก ความทุกข์ทรมานความทุกข์นี่แหละคือความชั่วครับควารู้ตัวก็ ม, มีสติคือความดีคําทุกข์นี่แหละครับคือบากระไร ม, มีทุกข์ใจเบา่แล้วกระ ไ, มไ้มีสติบุญแล้วเรต้องพูดอะไรกันให้มากความเลยยังนิจใจในแง่ปรัชญ า, าบาคืออะไรบุญคืออะไรเป็นชมมองม ง, อง่าย่นบากืทุกข์เนี่ย ไม่มีความทุกข์ทางกายกับใจบมือหมองเกลียวแห้เนี้ยไม่สบายแล้วตกนรกแล้วดังนั้นนรกที่มีครับไมื่อก่อนเห็นทําการพุทธเจ้าท่านตรัสที่นี้ครับทศุกษ์ทั้งหลายเราเห็นแล้วซึ่งนรกที่ปัจจับนรกที่ปัจจับหมายความว่ามันไม่สุขมาได้ครับี้เป็นเป็นภาวะทรมานย่างนีเรื่อนรก โลกกรธครที่หนึ่งนะตกนรกคนเดียวเพาะาที่ผิดปอดขับเดือดแรงอยู่คนเดียวเพราะาที่นี่ถึงนรกและเพรใดที่เล้งโถงเพราะาที่มี่จะคงจะเป็นสวรรค์ชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นจริงเรารู้สึกได้ครับก่อนหน้สมัยพฤติกาลนั้นพวกความหรือความช่วของประชาจนนดินเดียวนะมันหยัดนรกสวรรค์มาที่ไหนก็มาดู ถ้ความลับของนรกสวรรค์ในกํามือของพรามของนักบวชใครไม่อยากตกนร ก, กก็เอาเินมาให้นักบวชเถอะดีๆในทุจักตครั้งหนึ่งมีการขายมายยกบาทใคร เ, เงินให้โบสถ์นะครับแต่นันว่าพะประกาศไม่ให้ลงนรกเลือกขายหมายยกบาทเพราะวชิ้นนี้เป็นเพราะเรื่องอกีบขดโกงของเรานักบวช โดยคํามจริงแล้วศาสนาที่สืบทอดมาถึงเราทุกวันนี้นไม่ใช่คําสอนอันบริสุท ธ, ธ, ธิ์ของพระศาสดาพระพุทธเจ้าต้องพูดอย่างไรกับใครเราไม่รู้เรื่องมันเกิดม า, มานานแล้วศาสนาที่เรารับทาบทุกวันนี้เป็นศาสนาที่จับตั้งมาเรียบร้อยจะได้นั้นโบสถ์จะมีบทบาททุกทุกปีจะมีนักบวชลง ถ้าไปสัมผัสระบบวัดเกิดทุกข์ทรมานที่เปื่อนาไม่อาจทนใช้ชีวิตที่สัำสากยังคลุ่งจับก็นนานๆด้วยทวามจำเป็นอย่งยิ่งที่เราจะต้องค้นหาโบสถ์และการบวชที่ตัวเราที่จเาเพราะนั้นพวกก็บอกชัดแล้ววร่างกายนี้และคือตัวโบทคือที่หาร จ, จิจนี่แนะที่สิ่งนี้ต้องถูกจับบวชเมื่อ จ, จิใจขาพองมันก็บวชแล้วเมื่อ จ, จิใจอิสระรู้ใจมันก็เป็นพระแล้วจใจมืดหมูเร่าร้อนกวนกวายตอนนี้ยังยงไม่บวชดังนั้นเพาว่าใดที่ม่มิดเกหลงไม่รู้อะไร เพราะว่จะมีบาปดังนั้นบาปที่เกิดขึ้นได้โดวยว่าต้องฆ่าคนแต่ว่าฆ่าตัวเองให้พวกปัยอมมตะจะได้กกยินข้อวิพาวิจารย์เชิงพฤติกรรมเรื่อการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่บาปการพูดเท็จนีบาปการขโมยของนีบาปการทำไรนีบาปการทําอย่างนั้นเป็นบุญการทําอย่างนี้นเป็นบ า, านนป บาทีก็พูดว่าฆ่าคนมันบาปมากกว่าค่าวัวค่าหมา ก, ก็บาปน้อยกว่าค่าวัวที่พูดเป็นอย่างยิงเทนั้นมันก็ดูในแง่พฤติกรรมด้านนอกแต่ให้ดูสภาวะซึ่งค่าพระถ้าตัวเรานี้เองที่พระสภาพจิตใจซึ่งจันใจนี้แหละคี่พระนี่ในขนาดนั้นไม่มีสติ ไม่ไม่มีสติก็เกิดการสังหารพระขึ้นดังนั้นในทุกขณะนี่ยเราฆ่าตัวเองเราทำรายตัวเองปิดกัน้นหนทางให้ตัวเองได้เข้าใจและรู้แจง้งปิดกั้นตัวเองตัวเองมันบังตัวเองตัวเรานี่มันบังตัวเราดอเพราะฉะนั้นใครๆที่พยายามช่วยก็ช่วยได กุคนในครองพุทิการนี่ครับพบกับพเจ้าเข้ามังคนก็แลบมีลล็อกคนบางคนก็ลังควานเขาเคยอ่านในพระสูตรทเจ้านั่งอยู่ก็เอาทีวอนคุมหัวข้ามันเดินมาแล้วมันเปิดเห็นโกนหัวแบบนักบวชปวดชาวพุทธมันกับถมมันลายลดหัวของพระเจ้ามังคนก็รังแกพระเจ้า บางเม้องก็รุมกันด่าท่านเจ็ดวันเจ็ดคืนยอมหยดเบียดเบียนท่านตลอดเลยดังนั้นเราไม่อาจรู้จักพระพุทธเจ้าโดยภายนอกได้ร่างกาวนาของพระเจ้านะครับที่นี่แล้เป็นอย่างไรแร้บข้ารังรองพระเจ้าของเราอไมา่